สาธารการท่านสาธารชนทั้งหลายการบรร ญ, ญายประสูตร์ในวันนี้จะได้พูดเรื่องทุติยะอุโรเวลาสูตรหรือพระสูตร์ที่ทรงประลบเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ตำมนรุเวลาตอนที่สัตว์รู้ใหม่ ในประศูนยแรกนั้นเคยบรรยายไว้นานแล้วในตอนผู้เจ้าทรงประลบถึงสิ่งที่ควรแก่การเคารพสักการะของพระองค์ประสงค์เห็นว่าคนเราอยู่โดยไม่มีที่เคารพสักการะนับถือนั้นจะลําบากแต่กพ็พระองค์ก็ไม่เห็นใครที่จะเป็นที่เคารพสักการะได้อย่างแท้จริงสําหรับพระองค์ แล้ในสุดก็ส่งเคารพพระธรรมแล้วก็ทรงนำดิว่ามาต่อไปพระสงฆ์จเจริญขึ้นคือจำนวนพระสงฆ์เพิ่มขึ้นพระเจ้าเองก็จะเคารพต่อสงฆ์เราแสดงเห็นว่าผู้เจ้าเคารพพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์เองก็เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันแต่มาพระสูตรที่สองเนี่ย ก็ได้จริงพูดถึงคนที่ควรเหการเคารพเหมือนกันแต่พูดอีกระดับหนึ่งเราสั่งเล่าให้พระทั้งหลายฟังบ้างว่าตอนโรงตรู้ใหม่ๆเระทับอยู่ที่ต้นไทรเชื่ อ, อจะปาณิโครถตัวนี้เรคพบเราได้ยินบ่อยและท่านที่เคยไปอินเดียคงจะนึกได้ว่าที่เขาแสดงว่าอาจาปาณิโครตก็มีอยู่สองต้นก็อยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่ ต้นใสรตรงนี้ก่อนจะสัตรูก็เคยไปรับข้ามาทุบายญาติกักนางสุจดาคราวหนึ่งแล้วก็หลังจากศัตรูแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายเรื่องมีสนทนากับพรามมีพยามานมาลาธนาให้นิพพานมีประกาศพรไม่สามดีพรหมมากระทุนให้ ประกาศธรรมะต่อชาวโลกเป็นตน้นก็ในที่นี้เราสั่งว่ามีพราหมณ์ที่เป็นผู้ใหญ่อาอยุเลยห้าสิบไปแล้วจนถึงแปดสิบ90็ดสิบดิบเก้าสิบเรามาคุยกับพระองค์แล้วก็มาตั้งข้อสังเกตว่าได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้การเคารพ ต้อนรับให้อัศนะแก่พรามที่แม้จะมีอายุกแก่กว่าเรบพระ เ, เจ้าแต่ทีเขาพูดเขาเขากล่าวขันกันเนี่จริงหรือเปล่าพระเจ้าก็ทรงพิจนาเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่จะแสดงถึงหลักปฏิบัติถึงบุคคลที่ควรแก่การเคารพสักการะ ถึงหมายความว่าโดยในยะหนึ่งเนี่ยเราแสดงเจาะเรื่องก็เป็นกรณีกรณีไปแต่โดยรวมเราก็ได้ยินแล้วนะว่าทรงแสดงเรียกวุฒะบุคคลคือผู้ที่เจริญหรือผู้ใหญ่ไว้เป็นสามประเภทวัยวุฒคือเจริญโดยไวหมายมีอายุมากกว่าคนอื่น คุณวุฒิมีคุณธรรมความดีเหนือกว่าคนอื่นแล้วก็ชาติวุฒิมีชาติกำเนิดสูงกว่าคนอื่นซึ่งก็ในกลุ่มบุคคลทั้งสามกลุ่มนี้สมมติว่ามาเจอกันนะ่นะฮะาเจอกันถ้าจเจริญโดยชาติจเจริญโดยวัยจะให้ความสำคัญแก่ผู้จเจริญโดยคุณก็แสดงว่า ผู้ที่จะเดินโดยคุณธรรมความดีเนี่ยก็ เ, เป็นผู้ที่สูงสุดแล้วก็มีข้อความอื่นที่รับรองเรื่องดอนี้เช่นที่ท่านแสดงกุ ม, มารพระพงกราวา่าในมูชนที่ยังถือชาติถือโคดกันอยู่กำรังเกียดกันด้วยชาติถือโคดอยู่นั้นกษัตริย์เป็นผู้เป็นเสริฐที่สุดแต่ว่าบุคคลใดที่สมบูรณ์โดยวิ ช, ชาคือความรู้จเจรณะคือความประพฤติ าความความรู้ดีความพืชดีเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่ความความก็สอดคล้องกันกันกบข้อที่กล่าวไว้ในตอนตอน้นในที่นี้ทรงชี้ให้เห็นเพราะพรามเนี่ยเขายิงโดยชาติเราต้องมองอะที่เคยบอกว่าเราต้องมองลักษณะาทางสังคมลักษณะภลุ่มชนลักษณะของบุคค ล, ลกาลเทศะที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมะด้วย ผู้พรามเหล่านั้นต้องการจะให้พระพุทธเจ้าไหว้เขา่าพูดง่ายงั้นเน่ยมาเพื่อให้พระพุทธเจ้าไหว้แต่เมื่อพระเจ้าไม่ไหว้เขาก็รู้สึกไม่ชอบแต่ก็ไม่กล้าติตรงๆก็กล่าวเป็นตำนองข่าวลือพระเจ้าก็ส่งแสดงเรื่องผู้ที่ควรแก่การกราบไหว้เฉพาะในที่นี้ก็ส่งเน้นไปที่คุณธรรมสงชยัยคำว่าคนเราแม้จะมีอายุยืน เกิมีสูงกว่าคนอื่นก็เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่โดยวัยก็ตามตรงนี้อยากจะเล่านะฮะผู้ใหญ่โดยวัยกับผู้ใหญ่โดยคุณมาเจอกันเน่ยนะฮะพระเจ้าท่านเป็นผู้ใหญ่โดยคุณแต่ประชดอายุอย่างน้อยสามสิบหกปีคนนั้นเป็นผู้ใหญ่โดยวัยก็มาเจอกันแต่นี่ผู้ใหญ่โดยโดยวัยนั้นต้องการใจผู้ใหญ่โดยคุณไหวพระเจ้าก็ทรงแสดง ถึงเขตถึงผลของความเป็นผู้ใหญ่ให้ฟังว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่นั้นจะต้องเป็นการละว่าชีคือกล่าวตามกาลเหมาะสมสดครองแก่การละนั้ น, น, นว่าอะไรควรพูดหรือไม่ควรพูดในเวลาใดควรพูดหรือไม่ควรพูดจะรู้การที่ควรพูดกรณีต้นหลายคนนึกออกในอภัยราชกุมารสูตรที่รับสั่งแก่อภัยราชกุมารถึง ว aja หกประเภทว่าเรื่องใดเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์คนฟังอาจจะชอบใจหรือไม่ชอบใจนะแต่ผู้เจ้าก็รู้การที่จะกล่าวาจว aja เช่นนั้นหมายความบางครั้งคนอาจจะไม่ชอบหรอกแต่ปเป็นเรื่อง ก, การชี้แนะการตักเตือนการให้สติและเกิดประโยชน์แก่คนฟัง พระเจ้าก็รู้เวลาที่จะพูดเรื่องเช่นนั้นหรือว่าจะใดจริงแท้มีประโยชน์คนฟังชอบใจพระเจ้าก็จะดูการที่จะพูดพ อ, อ, อ, อความเช่นนั้นคือหมายความว่าพระเจ้าจะรับสั่งคําพูดสองกลุ่มนั้นเองแต่เรื่องนั้นต้องเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีแล้วก็มีประโยชน์คนฟังอาจจะชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ได้นะฮะแต่ถ้าถึงเวลาพระเจ้าก็จะรับสั่งว่าจาเช่นนั้น มันจะมีคำอยู่สองกลุ่มข้อต่อไปเรียกว่าภูตว่าชีคือพูดตามความเป็นจริงแล้วพูดตามความเป็นจริงนี่โดยหลักเกณฑ์นในการกําหนดมันกําหนดไว้ด้วยประสาทสัมผัสไอ้ที่จริงร0อยเปอร์เซนหรือไม่เปอร์เซ็นต์เราก็ไม่รู้นะนะมาความเราพูดไปตามที่เราได้เห็นพูดตามที่ได้ยิน พูดตามที่ได้ทราบพูดตามที่ได้รู้ทีนี้คําว่าทราบกับรู้เนี่ยภาษาบาลีเขาใช้เขาใช้ไม่เหมือนกันทราบหมายถึงว่าทราบกลิ่นด้วยจมูกทราบรสด้วยลิ้นทราบเย็นร้อนอ่อนแข็งด้วยกายก็แสดงว่าเรารู้มาเราทราบมาโดยประสาสัมผัสสานอย่างนี้แล้วก็รู้มาด้วยใจรู้มาด้วยด้วยใจบางทีเป็นความคิดบางทีเป็นความเข้าใจบางทีเป็นความไขว่ขัญอะไรแต่อะไรแต่ตาม แต่ก็หมายความว่าเราพูดไปตามความรู้สึกตรงนั้นแล้วก็บอกเขาว่าตัวเนี้ยคือความรู้สึกตัวนี้เป็นความเข้าใจตัวนี้เป็นความคิดตัวนี้เป็นความฝันตัวนี้เป็นจินตนาการก็ว่าไปเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกก็นั้นคือจริงตามนั้นไม่ไปเสริมความให้เกินจริงหรือไม่ไปปกปิดข้อความให้น้อยกว่าความเป็นจริงอย่างนี้เรียกว่าคูตวาฉีคือพูดตามความเป็นจริง แต่ก็อย่าลืมนะฮะมันมองที่ตัวประโยชน์มองที่ความเป็นธรรมมองที่คนฟังด้วยซึ่งบางครั้งความจริงเนี่ยมันไม่เป็นที่ชอบใจของคนหรอกเราเห็นว่าพูดไปมันใด้ประโยชน์เราก็ไม่พูดเสียก ร, ระจกคือไม่พูดทั้งทานที่มันจริงแต่ว่ามันมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะคนฟังเขารับไม่ได้นะฮะเรับไม่ได้ อัถวาทีคือคำพูดที่มีประโยชน์แนวของพุทธแนวของพระพุทธเจ้าที่เราเคยไปยพูดเรื่องข้อที่ควรพูดสิบอย่างนะฮะหมายความว่าเรื่องที่จะนำมาพูดเนี่ยแล้วพูดแล้วมันเกิดสงบเรื่องมักน้อยสันโดษชอบสงัดไม่เกี่ยวข้องโดยหมู่ปราลบความเพียน เรื่องศีลเรื่องสมาชิเรื่องปัญญาเรื่องมุหมดเรื่องบุทยาธศาสนาสิบเรื่องสิบเรื่องเนี่ยฮะพูดแล้วไม่ทะเลาะพูดแล้วสงบพูดแล้วเย็นแต่ถ้านอกแก่สิบเรื่องนี้แล้วพูดแล้วทะเลาะพูดแล้วมีการถกเถียงมีการจะเอาชนะค้าขานกันแต่ที่จะเป็นประโยชน์มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรซึ่งบางเรื่อง ให้เราสังเกตว่าคนเราสูญเสียเวลาเพราะความชั่วของคนอื่นมาถกเถียงคนอื่นผิดหรือถูกคนอื่นดีหรือไม่ดีแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรนะฮะเพราะเราเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแก่เราพระเจ้าจึงทรงสอนว่าอย่าใส่ใจสนใจเรื่องดีหรือไม่ดีของบุคคลอื่นเรื่องที่ทาแล้วหรื อ, อยังไม่ได้ทำของคนอื่น แต่สนใจใส่ใ จ, จเฉพาะเรื่องที่ทําแล้วและยังไม่ได้ทําของเราเพราะอะไรเพราะว่าเราสนใจแล้วเราทําได้เราแก้ไขได้เห็นว่าตรงนี้มันบกพร่องไปผิดพลาดไปเราแก้ไขได้ตรงนี้ดีเราก็รักษาเราก็เพิ่มปูนขึ้นมาได้แต่เรื่องคนอื่นแล้วเนี่ยมันส่วนมากจะเกิดความรล้าชานความแตกแยกแต่ปกติจิตใจของคนสนใจเรื่องไม่ดีของคนอื่น พอพอพูดเรื่องไม่ดีมันเรื่องเริ่มถึงก็ก็มีปัญหาแล้วนะเพราะงั้นท่านท่านจึงสอนให้พูดอัตถวาทีคือพูดเฉพาะเรื่องเดียวมันเกิดประโยชน์ดูพูดเรื่องนี้มีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่พูดถ้ามีประโยชน์ก็พูดก็แค่ข้ากยานะฮะแค่ข้ากยานังบางทีมันก็มีประโยชน์แต่ตรงนี้มันใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้ ยังไม่ถึงเวลาใช้ก็ไม่ต้องใช้ประการต่อไปธรรมวาตถีคือพูดเป็นธรรมอเ น, นี้ธรรมะว่าอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงหลักธรรมมันเป็นอย่างนี้เป็นตัวสภาวะธรรมที่เป็นอย่างนี้เราพูดตามที่เป็นธรรมทีนี้พูดพูดธรรมะเราอย่างอีกหละมันก็ดูที่คนฟังเลยถ้าคนฟังเขาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจไม่ยอมรับ S <S <an> <S มันก็พูดยา ก, กพูดยากืองกันก็เมื่อเราเราเห็นว่าพูดไปก็ไม่ได้ประโยชน์เราก็ไม่พูดก็จบแล้ววินัยยะวาชีคือพูดเป็นวินยัยหมายความมันมีกฎมีเกณฑ์มีกติกา ม, ม, มีระเบียบแบบแผนที่เรากล่าวถึงที่เราพูดถึงไม่ได้ใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้ความคิดเห็นของตัวเองเป็นตัวกาหนด วินยัยวาทีก็อีกแล้วก็พูดยากอีกเพราะวงคนเขาไม่เอึดเฟือเรื่องวินัยอะ่ะเขาไม่เห็นวความสำคัญของวินยัยมีโยมคนหนึ่งไปบอกหลวงตาแก่บินตาบาตเทียบเทียบินฑบาตทตีห้าลุกขึ้นบินตาบาทแล้วนะก็ถามมาหลวงตาบินตาบาตอย่างนี้มันก็ขาดพรรษาสิคือพระเราในฤดูพรรษานะฮะ ในพรรษาข้าพรรษาไปแล้วเนี่ยเราไปไปไปไปไปให้รุ่งในที่อื่นไม่ได้ถ้ารุ่งได้ก็ต้อ ง, ต, องต้องมีวิธีกรรมทางพินัยก็เรียกสตัตหกัญยาไปได้นะะแต่ถ้าไปโดยไม่มีกิจอย่างนั้นออกจากวัดเรียกว่ายังไม่ทันรุ่งออกจากวัดไปโดยไม่มีกิจเนี่ยไม่เป็นกิจลักษณะจริงั่นถือว่าขาดบัรดา คนก็ไปบอกว่าลงตาอย่างงี้ก็พันธะขาดหมดเลดี๋ยวบเฮ้ยพันธะกินก็นไปได้เมื่อไรล่ะอย่างงี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงอย่างนี้ก็ไม่รู้จะว่า ย, ยัางไ ง, ไ ม, ยยงไมันพูดเรื่องกินนะฮะก็พูดเรื่องกินก็พูดเรื่องพันษาท่านตะแบงมาพูดเรื่องกินเราก็ไม่รู้จะว่า ย, ยัางไงเหมือนกันนี่คือปัญหนานเรื่องวินยัยแต่มายความว่าคนที่เป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่นะ่ะต้องพูดอิงวินยัยอิงธรรมไว้ตลอดใครชอบหรือไม่ชอบไม่เรื่องของเขา แต่ทํากับวินัยก็เป็นอย่างเนี้ยซึ่งซึ่งมันเป็นกฎเป็นเกณฑ์ที่เราสื่อสารกันได้ทั่วโลกหมายความว่าคนรู้ธรรมรู้วินัยแล้วเนี่ยเราพูพดแป๊บเขารู้อันนี้คือธรรมนี่คือวินยัยมันไม่ใช่ความเห็นเพราะถ้าความเห็นแล้วนี่มันจะเป็นปัจเจกะทันทีคือเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนทันทีมีความขัดแย้งสูงแม้แต่พูดเป็นธรรมเป็นวินยัยอ่าบางทีก็มีความขัดแยง้งกับคนก็ไม่ชอบ ไม่ชอบเรื่องธรรมเรื่องวินยัยแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยต้องรักษาธรรมรักษาวินัยไว้ประการต่อไปกล่าวถ้อยคําที่จําไปแล้วมันสบายถ้าบอกว่าน่าจดน่าจําเรื่องที่เรื่องที่ได้ยินได้ฟังที่ท่านพูดมันน่าจดน่าจําจําไปแล้สบายใจท่านลองสังเกตแต่เรื่องมางเรื่องจําไปแล้วร้อน เป็นคำด่าคำค่อนแคะคำตำเหนียดคำกล่าวหาใส่ร้ายอะไรแต่ไรเนี่ยนะเราจําไปแล้วเราลอนหรือเรื่องรายสาระทั้งหลายนี่จําไปแล้วมันก็มันก็เหลวเป็นน้ําไม่ได้อะไรแต่ว่าเรื่องที่ได้ยินได้ฟังของผู้ใหญ่เนท่านบอกว่ามันน่าจำํำน่าจดน่าจําเอาไว้ในขณะเดียวกันเรื่องเหล่นั้นไม่ฟัมเพลือกไม่ฟัมเพลือกคือพูดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ ไม่ได้พร้อมเพื่อเพื่อเจอไร้าสาระแล้วก็มีที่อ้างอิงอันนี้คือเรื่องใหญ่นะครับมีที่อ้างอิงมีที่ไปที่มาโดยเฉพาะอย่างอย่างการบรรยายไปสูตรอะไรเนี่ยที่จริงแล้วก็มาหมายม า, มาควาวิ่งอยู่ในระสูตรนั่นแหละพูดวิ่งอยู่ในระสูตรแต่บางทีก็ต้องอ้างบางทีก็ไม่อ้างแต่อ้างก็รุงรังไปนะมารุงรังไปแต่พระเราในที่จริงต้องเกาะอิงอยู่ตลอดเลย เราไม่มีหน้าที่ไปอธิบายเองแม้เราจะเข้าใจนะเราก็ไม่พูดราอธิบายเองเราต้องพูดว่าธรรมะพูดจ้าทรงสแสดงไปอย่างนี้แหละนะเป็นปฏิปทาของพระหันทั้งหลายท่านปฏิบัติไปอย่างนั้นเราก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นเวลาใครถามว่าที่พูดอยู่ที่ไหนเราบอกแค่นั้แต่บางทีก็ไม่จําเป็นจะต้องบอกนะเพราะถ้าบอกกันด้ว่ยมันก็กลายเป็นตําราไปกลายเป็นตาําราแล้วโยมก็คงปวดหัวพอโยมก็นึกไม่ออกเหมือนกัน ย่งเวลามาไปบรรยายอบรมพวกพระนักเผยแผ่พระทั้งคาติกาอะไรต่ออะไรเนี่ยเพื่อเราอ้างเราจะอ้างเรื่องใกล้ตัวท่านอ้างหลักสูตรนะครับเยนตรนะีอ้างหลักสูตรนะคธรรมยนตรีเพื่อท่านนึกออกอะ่ะเพื่อท่านนึกออกเพราะถ้าเราไปอ้างไกลๆเดี๋ยวท่านนึกไม่ออกก็ยุ่งกันใหญ่ก็นั่นอธิบายกันใหญ่แต่บางอย่างเห็นว่าตรงตรงนี้ไม่จําเป็นจะต้องไปอ้างหรอกท่านนึกออกเราก็ไม่ต้องอ้าง แต่หมายความว่าเราจะต้องอิงทมอิงบินายอิงหลักคำสอนอิงกฎเกณฑ์ในเรื่องเหล่านั้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามหมายความว่ามีที่ไปที่มามีที่อ้างอิงไม่ใช่เลื่อนลอยนะกล่าวหาเลื่อนลอยพูดจาเลื่อนลอยถามที่ไปที่มาไม่ได้อ้างเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็แย่ไม่เป็นผู้ใหญ่เขาเียบ่กพูดอย่างนี้ไม่เป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบ คนมีความรับผิดชอบนั้นจะต้องมีที่ไปที่มาชัดเจนและที่ไปที่มาเหล่านั้นจะต้องมีน้ําหนักนะะเพราะนั้นก็เหมือนระดับคําสอนที่ถือว่าเป็นศาสนาได้เนี่ยมันต้องมีที่มาคือศาสดาต้องมีศาสดาที่มีตัวตนแน่นอนอูไม่ใช่นึกอยู่อ้างอะไรต่ออะไรมาไม่รู้แล้วก็เป็นใครมาจากไหนที่กล่าวเรื่องเหล่านี้เราไม่รู้ที่ไปที่มา มันทําให้คาสอนเ่านั้นไม่มีน้าหนักคำพูดเ่านั้นไม่มีน้ําหนักแล้วก็มีขอบเขตมีกรอบมีขอบเขตของความถูกความผิดความสมบูรณ์ความบกพร่องนะมันมีขีดของมันน่ยนะขีดของมันที่เราเรียกว่าถ้าตรงนี้ก็ผิดละนะตรงนี้ก็ถูกมันมีกรอบของมันว่าทํายังไงเรียกว่าผิดทํำยังไงเรียกว่าถูกคล้ายๆกับเมตตาเนี่ยเอาสมมติเราจะพูดเมตตาเมตตาอย่างไงเรียกว่าถูกเมตตาอย่างไงเรียกว่าผิด ถ้าเมตตาที่มุ่งเราบอกว่าเมตตาแต่มุ่งการตอบสนองผลประโยชน์เพื่อตัวเราไอ้อย่างนี้ก็ผิดไม่ใช่เมตตาหรือเมตตาเพื่อโอบอุ้มปกป้องคุ้มครองคนที่เรารักไอ้อย่างนี้ก็ผิดไม่ใช่เมตตาในตอนแรกนั้นเป็นกามาราคะตอนที่สองเป็นฉันทากิ ทีนี้เมตตามปนอยู่ตรงไหนเมตตานั้นมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์คือไม่ได้มองแบ่งแยกไปไม่เป็นหญิงเป็นชายไม่เป็นคนนั้นคนนี้ชางนั้นชาติเราสร้างความรู้สึกไมตรีจริตต่อคนเ่าดั้นจะน้อยตั้งใจปรารถนาที่จะเห็นเขาอยู่ร่วมกันอย่าไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบีย น, นกันไม่เบทยสลายกั น, นแต่และชีวิตอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของเขา บางอย่างถ้าเราขวนขายช่วยเหลือด้วยกายได้ก็ช่วยช่วยเหลือด้วยวาจาได้ก็ช่วยพำอะไรไม่ได้ก็ตั้งใจปรารถนาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยความเดือดร้อนเขาขอจะไม่เกิดขึ้นจากการกระทําของเราเขาก็าเดือดร้อนนะนะคนเราก็มีกรรมเป็นข อ, ของตัวแต่จะไม่เกิดขึ้นใน ก, การกระทําของเรานี่คือเรียกว่าเมตตามันมุ่งอภิบาลมุ่งช่วยเหลือมุ่งสงเคราะห์เกื้อกูลกั ค, คนอื่นไม่ใช่มุ่งตอบสนองความต้องการของเรา แต่อย่างนั้นเขาเรียกความรักเรียกกามรมารคะก็แล้วแต่จะแรงขนาดไหนแต่ถ้ามุ่งโอบอุ้มโดยไม่รู้ผิดรู้ถูกมันก็เป็นฉันถาคติคือความลำเอียงก็ใช้ไม่ได้ทั้งสองอย่างนะใช้ไม่ได้ทั้งสงเป็นกิเลสทั้งสองอย่างถ้าเมตตาพอถึงจุดหนึ่งมีเราทําไม่ได้เราต้องทําใจเป็นอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางได้คือถือว่าสาัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมได้ นั่นคือธรรมะในปฏิบัติที่เรียกว่าไม่มีขอบเขตของ ม, มันไม่ใช่ว่าขอบไม่รู้อยู่ตรงไหนกรอบไม่รู้อยู่ตรงไหนอย่างงี้มันมันไม่ได้หรือแม้แต่การกระทาผิดทําถูกทําผิดทําถูกเช่นเช่นสมมติว่าท่านี้เขาห้ามห้ามนั่งรับข่าไปในบ้านส่งเสียงดังนั่งนั่งในบ้านอะไรแต่ใดเนี่ยถามว่านั่งรับเข่าได้ไหมถามว่านั่งที่ไหนล่ะก็ะนั่งที่กุฏิก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะก็ห้ามเฉพาะในบ้านแต่นั้นเอง ส่งเสียงดังในวัดได้ไหมก็ได้นะจะเรียกเด็กเด็กอยู่ใกล้ๆจะเรียกดังก็ได้ไม่ว่าอะไรแต่ในบ้านไม่ได้อันนี้คือขอบขอบเขตมันมีกําหนดโ ด, ดยสถานที่บานที่กาหนดโ ด, ดยเวลากําหนดโดยแล้ว เ, ลเวลาว่าพระไปค้างคืนที่ไหนไม่ได้จริงหรือบอกว่จริงเฉพาะในพรรษาแต่นอกพรรษาก็ไม่ได้ว่าอะไรเห็นไหมมันกรอบมันมีอยู่ขอบมันมีอยู่เราก็พูดกันตรงตรงไหนล่ะ มันไม่ใช่ตลอดไปบางเรื่องไม่ใช่ตลอดไปมันไม่ได้เหมือนกับทุกจริงสมุทรไทยจริงเหตุเกิดความเด็ดทุกจริงอันนี้อันนี้เป็นเรื่องตลอดไปแต่บางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องตลอดมันเป็นกฎเกณฑ์เท่านั้นเองแล้วประกอบด้วยคุณที่ต้องการหมายความมาธรรมะที่นํามาพูดนํามาแสดงเนี่ยมันให้คุณค่าแล้วก็เป็นประโยชน์แก่สังคมแรืบุคคลที่เราพูดด้วยในขณะนั้นๆ นี่ก็คือแสดงคุณลักษณะของคำพูดอย่างเดียวนะฮะท่านทั้งหลายลองสังเกตก็าพูดถึงการพูดเพราะอะไรมันก็ตระมองกลับไปว่าพราหมณ์พวกนั้นใช้วิธีการพูดใช้วิธีการพูดเอาหมายความ ก, ก็อ้างอะไรแต่ไรของเขาเนี่ยทีนี้ก็ไม่ปฏิเสธคำพูดแต่ว่าพูดอย่างไงเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่าการนั้นทรงแสดงสิ่งที่เราเรียกว่าเทระกรณธรรม คือธรรมะที่ทําคนให้เป็นผู้ใหญ่จริงๆคำว่าเทระนั้นหมายถึงผู้ใหญ่เทระแปลว่ามั่นคงหนักแน่นนะไม่อ่อนไหวง่ายบางทีก็กําหนดโดยรูปแบบของความเป็นพระเช่นว่าจะต้องมีอายุพรรษาเทานั้นนั่นคือเงื่อนไขของวินยัยวินัยนั้นนั่นนั่นจะมีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขกํหขาหนดไว้แต่ธรรมะไม่ธรรมะไม่ พม่ามันอยู่ที่จิตหมายความว่าท่านบวชมาพรรษาเดียวแต่ว่าท่านมั่นคงหนักแน่นท่านก็ถือว่าเป็นเทระเทระโดยธรรมญาติโยมทั้งหลายที่เป็นชาวบ้านเป็นผู้หญิงผู้ชายมีความหนักแน่ น, นก็ชื่อว่าเป็นเทระคือเป็นคนมั่นคงเป็นคนหนักแน่นทีนี้ทายังไงจะมั่นคงหนักแน่นก็ทรงแสดงคุณธรรมไว้สี่ประการประการแรกคือมีศีล นะถ้าเป็นพระก็ศีลพระเป็นโยมก็ศีลโยมันนะฮะก็ศีลศีลอย่างน้อยก็ศีลห้าข้อขึ้นไปแต่อย่าลืมว่าศีลเนี่ยบางชีมันผูกพันกับสถานะของเราสถานะของเราเป็นคนมีศีลว่าตรงนี้คนคนกลุ่มหนึ่งก็เข้าไปได้แต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้มันเสียสถานะของความเป็นผู้มีศีลการเล่นบางอย่างอ คนกลุ่มนี้เขเล่นได้แต่เราไปเล่นไม่ได้มันเสียสถานะของผู้มีศีทการกระทําบางอย่างก็ก็ไม่ใช่เสียหายนะฮะไม่ใช่เสียหายที่จริงแล้วเนี่ยท่านอยู่ในที่บางแห่งก็ทําได้เดี๋ยวไ้บอกว่าอยู่ในที่บางแห่งทําได้แต่บางแห่งทาไม่ได้นั่นคือสถานภาพของผู้มีศีลเพราะงั้นเวลาทรงแสดงตรงนี้จะใช้คาเหมือนกันเป็นผู้สมบูรณ์ด้วย ด้วยศีลสํารวมระวังในบทบัญญัติที่เราที่ทรงบัญญัติไว้แล้วเราก็สมาทานไปอย่างนี้อย่างอย่างอย่า ง, างสมมุติว่าเราเราเรารักษาศีลก็ปานาแต่ไล่ตีหมาแองแองแงแอเนี่ยเราไม่ฆ่าหมาจริงเนี่ยแต่เราตีมันมั น, ม, น, ม, น ม, มันไม่มันไม่ถูกสองมันไม่ถูกต้องสมมติคนที่มีศีลถ้าคนทั่วไปหรือคนค่าสัตว์ก็ไม่ได้ว่าอะไร โ อ, อเคสบาลไล่จับหมาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่นี้ในฐานะเป็นผู้มีศีลใช่เราไม่ได้รักษาศีลประเภทที่ว่าไม่เบียดเบียนสัตว์แต่ว่าเมื่อเราเมื่อเรารักษาศีลข้อปานานี่ต้องไม่เบียดเบียนเขาด้วยต้องไม่ไล่ตีไล่ทุกขเขาด้วยนี่ก็คือก็คือคือเขาเรียกว่ามัญญาเป็นมัญญามัญญาตก็คือขอบเขตมัญญาตก็ก็เหมือนอะไรเ ห, เ, หนนน เ, หเหมือนเหมือนคันดินคันนาคือเหมือนเืนขื่อนอะ มันคือมันมีกรอบมีขอบเขตของมันที่จะกั้นน้ำไว้ไม่ให้ทะลักออกไปเพราะฉะนั้นความรู้สึกนึกคิดของเราบางสิ่งบางอย่างเนที่จริงมันไม่ผิดศีลแต่ว่าถ้าแสดงออกแล้วมันเสียมันยาิไม่เหมาะไม่ควรแก่แกสถานภาพของความเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยอาจาระคือความประพฤต ความพฤษนั้นใ้เราสังเกตว่าที่จริงมันมันเกี่ยวกับบุคคลกลุ่มคนสถานที่เวลาสถานะของคนเ อ, อเรื่องบางเรื่องไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ตลอดหรอกเป็นเป็นเรื่องเฉพาะกรณีนั้นๆันเท่านั้นเองถึงจุดหนึ่งมันก็ทําได้ไม่ใช่เรื่องบาปกรรมอะไรเพียงแต่ว่าสำรวมระวังให้เหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีนั้นๆเท่านั้ น, น, น, น, นโคจรคือสถานที่ที่เราไป เราเข้าไปเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปอยู่เข้าไปอาศัยอย่านะวันก่อนอะไรละ่ะลิเทิร์นบุตดาที่เขาเขาเอาก็มาฉายในเมืองไทยนะมีคนก็มานิมนต์อาตมาไปดูตัวอย่างเพื่อจะให้วิจารณ์นะบอกว่าไม่เอาหรอกถ้าคุณเอาคุณก็อัดวีดีโอมาให้ดูแล้วกันก็จะให้วิจารณ์ดูว่ามันเรื่องมันเป็นยังไงนะแต่ว่าชวนไปดูที่โรงหนังบไม่ได้แล้วไปดูโรงหนังเราก็ตายเลย อันนี้ครับคือคือคือที่จริงแล้วเนี่ยโรงหนังตรงนั้นเวลานั้นที่จริงเขาก็เปลี่ยนเป็นสถานที่เป็นสถานที่อีกอย่างหนึ่งในใช้กิจกรรมอย่างหนึ่งแต่ความรู้สึกว่าเป็นโรงหนังเนี่ยควารู้สึกเป็นโรงเป็นโรงหนังนี่มันมันอยู่ภายในใจเราแค่แค่กับโรงแรมในความรู้สึกอดีตกับความรู้สึกปัจจุบันที่มันต่างกันเนยอะแต่จะมากว่าจะกล้าเข้าพูดในโรงแรมตั้งนานนะฮะเข้าไปครั้งแรกมีหลังเย็นเลย โยมล้อมเต็มนะแต่เราข้าวไปเราเดินข้าวเป็นหลังเย็นเลยยังเสียวมากท่านท่นเรียสถานภาพอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเป็นข้าไปบรรยายนะฮะโอรโลพโรตารี่ครั้งแรกในจำได้โอรโลโรตารี่แต่ว่าบรรยากาศความรู้สึกของคนของสังคมตรงนี้ที่จริงไม่ใช่เรื่องบาปกรรมอย่าเรื่องบาปกรรมแต่เป็นเรื่องความเหมาะความควรเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของคน ว่าสังคมเนี่ยเขามองอย่างไงความรูรม้สึกมุมคิดของคนเป็นอย่างไงก็เรียกว่าสมบูรณ์ด้วยอาณาจักรและโพจรคือสถานที่ที่เราเที่ยวไปแล้วก็ตั้งใจรักษาศึกษานะรักสมาทานสมาทานกนะ็คือรักศีลนะฮะศึกษาก็าคือประพฤติปฏิบัติในศีลอยู่ตลอดก็เรียกว่าเป็นผู้มีศีลนะนี่ก็ถือว่าเป็นฐานทุกๆเรื่องนะศีลเนี่ยนะเป็นฐานทุกๆเรื่อง ประการต่อไปนั้นก็คือเป็นภูตสูตรมีการศึกษาเรียนรู้มีความเข้าใจในสิ่งต่างๆได้มากในภูตสูตรนั้นเป็นสูตรตายตัวเลยนะฮะเป็นสูตรตายตัวพูดที่ไหนและเป็นอย่างนี้ทุกทีเหมือนกันห้าคำห้าจังหวะหมายความว่าก็เรียงรดลันกันไปไปห้าตอนเลยกันหนึ่งก็มีประสบการณ์เรียนรู้ตามภาษาสัมผัสไปมากได้พบได้เห็นได้อ่านได้ รับรู้สิ่งต่างๆไว้มากแต่ว่าการที่สองก็คือจําแม่นจําเรื่องราวต่างๆไวได้จําข้อความเนื้อหาสาระธรรมะอ่าท่ายกตัวอย่างว่าบางชีนี่แม้ตังยี่สิบสาสิบปีแล้วยังจําไม่ได้นี่เก่งมากนะะเก่งมากแต่ว่าธรรมชาติของสัญญาเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงนอกจากว่าคนที่แม่นจริ ง, รงๆก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันก็มันก็เปลี่ยนแปลงกันนะฮะเราคงคงความไม่เที่ยงอยู่ พะจึงส่งสอนให้ท่องบ่อยๆก็เรียกว่าเก็บสะสมไว้ด้วยวาจาคือพ่องมันบ่อยๆนึกถึงก็บ่อยๆอ่านก็บ่อยๆแล้วก็นําเรื่องเห่านั้นมาเพ่งพินิพิจารณามาคิดคิดได้เกิดความเข้าใจเราจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นบางอย่างมันตรงกันข้ามอย่างสมมติว่าท่านทั้งหลายจะคิดธรรมะนี่นะคิดธรรมะเนี่ย เราคิดง่ายๆคิดง่ายๆสมมติว่าภาคหนึ่งก็คือไม่รู้ภาคหนึ่งรู้มันมีสองภาคใหญ่ๆภาครู้ก็คือภาคอกุศลธรรมภาคไม่รู้ก็คือภาคอกุศลธรรมเพราะไม่รู้เนี่ยเราจึงโลภเพราะไม่รู้เราจึงโกรธเพราะไม่รู้เราจึงตลงถ้าถามมาตรงนี้ถ้าเรารู้เนี่ยเราจะโลภไหมเราจะโกรธไหมเราจะหลงไหมถ้าเรารู้เราเรา เราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงรเพราะปัญญามันจะวินิจัยได้โลกโลกลมมันประทุษร้ายเรานะโลกโลกลมมันประทุษร้ายเราไม่จะประทุษร้ายเขาเพรา ะ, ะความคิดของคนที่มีความรู้เขาจะไม่ทําอะไรที่เป็นการประทุษร้ายตัวเองแม้แต่เรื่ความคิด เราจะเห็นว่าเมื่อเราเข้าใจด้านรู้เราก็จะเข้าใจอีกด้านหนึ่งคือด้านไม่รู้โดยโดยไม่จําเป็นจะต้องไปศึกษาคือตรงเงันข้ามอ่ะคล้ายๆกับขาวขาวกับดำํำขาวกับดําเย็นกับร้อนกลางคืนกลางวันอะไรเนีเราเราเราจะเข้าใจอีกด้านหนึ่งโดยไม่จําเป็นจะต้องไปเรียนไปศึกษาอีกนึงศึกษ า, นะนาในลักษณะคล้ายคลึงลักษณะคล้ายคลึงกัน องค์ธรรมกลุ่เนี้ยสี่งเนี่ยคล้ายกับสิงนี้สิ่งนี้คล้ายกับสิ น, ส น, สนี้ที่จริงแล้วเนี่ยองค์ธรรมมันเป็นวิถีชีวิตชื่อนั้นพุะเจาทรงบัญญัติเรียกขึ้นมันก็เป็นวิถีชีวิตของคนที่เราเคลื่อนไหวไปด้วยองค์ของธรรมหมดนั้นอย่ยงแต่ว่ายุ่งยุ่งก็คือว่าในแต่ละวันนั้นเรารับอกุศลมากไปหน่อย ผู้กุศลไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่จิตใจมันยังมีปัญหาเยอะแต่ถ้าเราพยายามเพิ่มพยายามเพิ่มผู้กุศลขึ้นไปพยายามบวชพระสวดมนต์พยายามอ่านหนังสือพยายามตักกระแสะของอารมณ์อะไรก็ตามที่มันไม่ดีอย่าไปรับมันเห็นว่าข่าวคราวแตนาะหนังสือพิมพ์อ่านแล้วรำคาญก็อย่าอ่านมาันสิข่าวมันอยู่ที่หนังสือพิมพ์มันอยู่ในตลาดนั่นแนะ่ะเราอยู่ที่บ้านเราอะ เราก็จะอ่านมันก็จบมันก็แนวที่พู้เจ้าทรงสอนในแนวอินทรสังวรนั่ย น, นะฮะไม่ดูไม่เห็นเล ย, เลยก็นเองเราต้องดูต้องเห็นก็อย่าพูดเดยอดกันทีแต่จำเป็นต้องพูดก็พูดแต่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นอดเป็นธรรมมันมันจะหยุดมันจะหยุดปัญหาต่างๆออกไปได้วิธีการสอนตรงนี้จะสอนไว้หลายๆแนวนะหมายความว่าเอาเลือกงมาพื้นปฏิบัติเอาอย่างนี้ไหม อย่างนี้ก็จะช่วยให้เกิดความสงบขึ้นภายในใจได้เช่เดกันจนเกิดอะไรจนเกิดความเข้าใจก็เรียกปฏิทินที่เป็นทิฏฐิยาสุ ป, ปฏิปิทาเราเข้าใจแล้วเวลาเขาโกรธเนี่ยเราก็เข้าใจว่าทำไมเขาโกรธเพราะเขาไม่รู้เขาไม่รู้เราอธิบายได้ไหมเขากำลังโกรธอธิบายไม่ได้ไม่ต้องอธิบาย ปล่อยเขาทำไปแต่เราอย่าไปโกรธตอบเขาก็แล้วกันเราไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปรับอย่างแนวนี้แนวของรับแขกที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังเราห้ามคนด่าไม่ได้นะแต่เราห้ามปากเราไม่ให้ด่าคนอื่นได้พุณเจ้าเองเนี่ยถูกด่าพระโมคกัลานะเองเนี่ถูกฆ่าสารีบุตรเองเนถูกตีหัวมมัน ก, มนก็มันก็อย่างนั้นแหละโลกมันก็เป็นอย่างนั้น นี่คือแสดงว่าธรรมะปฏิบัติเรารับผิดชอบกรรมเราเราไม่ต้องรับผิดชอบกรรมคนอื่นลูกเราไปฆ่าคนสักล้านเราก็ไม่บาดสักนิดหนึ่งนี่ไม่เกี่ยวอะไรเลยมันคนละเรื่องกันแยกกันเด็ดขาดเลยเรื่องกรรมสมมติว่าลูกเราไปทําผิดนะฮะเราจะสารตัดสินจำคุกยี่สิบปีเราขอแบ่งแค่สิบปีก็ไม่หายหร ไม่จะกรรมเรานั้นเราเห็นในแชทว่าเรารับผิดชอบเฉพาะกรรมเราเราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบกรรมอื่นแล้วเราต้องเดือดร้อนเฉพาะกรรมเราเท่านั้นเองนะอย่าไปเดือดร้อนประกรรมคนอื่นพระเจ้าทรงสอนอ่านความชั่วร้ายไม่ทําเสียเลยดีกว่าเพราะทําแล้วจะต้องเดือดร้อนใจความชั่วนั้นจะตามแผดเผาในการภายหลังได้ความดีนั้นแหละทําไว้ดีกว่าเพราะทําแล้วไม่ต้องเดือดร้อนใจ นะจะมีหน้าตาผ่องใสมีความสุขในปัจจุบันแล้วก็ตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติใครทําคนนั้นอเรื่องเฉพาะคนนั้นไม่ได้เก such, ในในในนเี่ยวกับใครคนอื่นเลยเพราะนั้ที่คมที่สุดเนี่ยมาชอบของพระพุทธเจราเทรีนะที่ท่านพูดต้งพูดูดคมท่านพูดว่าคนแต่ละคนเข้ามาด้วยกรรมของเขาก็อยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมของเขาเขาก็จากโลกนี้ไปด้วยกรรมของเขา คือท่านพูดกับพวกผู้หญิงที่มีลูกกบลังน่ารักแล้วตายไปนะก็ไปหาท่านปรึกษาการทำใจเพราะท่านมีปัญหาตรงในเรื่องเหล่านี้ท่านก็อธิบายผ่านวิธีคิดของท่านท่านก็คมอะ่ะท่านบอกว่าพวกเด็กพวกเนี้ยก่อนจะมาเกิดในครันของคุณเนี่ยแกขออนุญาตก่อนหรือเปล่าจะมาบอกก่อนหรือเปล่าจะขอมาเกิดด้วยบอไม่ได้ขออนุญาตและตอนแกแกจะตายแกลาหรือเปล่าไม่ได้ลา เออเออเสียใจอะไรกับเขาเอาเ อ, เ อ, เอตอนมาก็ไม่ได้ขออนุญาตตอนไปก็ไม่ค่อยลาเขาก็มาโดยกรรมเขาก็อยู่โดยกรรมเขาก็จากไปโดยกรรมของเขาตัวไม่ต้องไปเดือดร้อนเพราะเรื่องเหล่านั้นนี่ ก, ก็คือก็คือความเข้าใจในแง่ของของธรรมะที่เรียกว่าพอเข้าใจธรรมะมันจะเกิดอาการรู้เท่าทันตามความจริง คนที่ต้องตายเป็นธรรมดาก็ตายแล้วคนต้องเจ็บเป็นธรรมดาก็เจ็บแล้วถูกดินทาให้คนนี้ไม่ถูกดินทาไม่มีในโลกเราก็ถูกดินทามันก็เหมือนคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ถูกดินทาเฉพาะเราสันเซิลสันเซิล ม, มันก็ไม่มีใครที่ไม่ถูกสันสซิล ม, มันไม่มดินทาก็อย่างนั้เนี่ยสันสซิลก็อย่างงนนีน้มองเป็นสัตว์แต่ว่าเราก็ไม่เดือดร้อนถ้ามองในแ ง, ง่ของกรรมเราก็ศึกษาดู ว่าเรามีความบกพร่องในคุณการนินทาหรือไม่ถ้าเห็นว่ามันเออเราก็แก้ไขได้แต่ไม่จะไปแก้ไขที่เขานะฮะแก้ไขที่เราเรามีคุณสมบัติควรในการสรรเสริญหรือเปล่าเออภาคถูกต้องเราก็รักษาความดีตรงนั้นเอาไว้มันได้ประโยชน์ทั้งสองกว่าสองอย่างนะได้ได้ประโยชน์ทั้งนินทาและสันเสริญถ้าเรามี ความเข้าใจในธรรมะที่เรียกว่าทิฏฐิยาสุปฏิวิทาคือขบเจาะธรรมะเหล่านั้นด้วยความคิดความเห็นมีปัญญาเป็นเรือนใจเป็นหลักคุ้มครองใจประการต่อไปนั้นค่อนข้างยากะนะนี่ยค่อนขางยากว่าสามารถที่จะบำเพ็ญเพียรให้จิตมีความสงบตั้งมันนม่นจนบรรลุฌานโดยไม่ยากแต่แต่ลองสังเกตว่าถ้าสองข้อข้างล่างมีสองข้อตอนต้นมีนะ แต่ข้อที่สามมันก็ไม่ยากหรอเพราะในะความยากความง่ายเนี่ยมันก็เหมือนกับที่ท่งแสดงว่าความดีคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากเพราะใ น, นยากง่ายนี่มันไม่มันไม่อยู่ที่ที่อะไรหรอกมันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่ใครเป็นคนทำสิ่งเหล่านั้นเรื่องนี้คนหนึ่งทำยากแล้วแต่สมมติคนหนึ่งเน่มันง่ายนิดเดียว เพรถ้าท่านปฏิบัติสมบูรณ์มาในระดับศีลสมบูรณ์มาระดับศีลแล้วก็มีปัญญาก็เรียกว่าสะสมความคิดความเห็นมีความรู้ความเข้าใจนั่นก็มีวิธีที่จะฝึกมีวิธีที่จะฝึกเพื่อให้จิตใจมีความสงบจนบรรลุฌานขึ้นมาได้ท่านบอกก็ได้โดยไม่ยากคือสมัครคนที่เดินมาตรงนี้ได้แล้วนะฮะมันก็ไม่ยากสมัครกัน ข้อที่สี่นั้นคือสามารถทําจิตใจหลุดพ้นจากอํานาจของกิเลสนันเรียกว่าเจโต ว, วิมุตต์คือหลุดพ้นโดยอํานาจกิเลสโดยการเพียรพยายามปฏิบัติในด้านสมาธิแล้วก็ปัญญาวิมุตต์คือจิตหลุดพ้นจากอํานาจกิเลสด้วยปัญญาตรงนี้พูดว่าอรหันต์แล้วนะข้อที่สี่นี้เป็นพระอรหันต์ไปแล้วเพราะเจโต ว, วิมุตต์จริงๆก็คือพระอาหารหันต์ปัญญาวิมุตต์จริงๆก็คือพระอาหารหันต์ ผลทั่วไปยังยังไม่ถึงขนาดนั้นนะนะแต่ว่าเรียงลดหลั่นกันลงมาระดับพระสุนทรภันขึ้นไปนะฮะก็เรียกได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ไม่ใช่สมบูรณ์สมบูรณ์จริงๆก็เป็นพระอรหันต์อันนี้ก็อย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตเลยท่านทั้งหลายสังเกตพระสูตรดเราพระสูตรที่เราเจอมาแต่ละสูตรเลยนะฮะเขาเรียกว่ามีพระอรหันต์เป็นยอดพูดไปพูดมาไปถึงพระอรหันต์ทุกทีรียกว่า ป้ามันอยู่ตรงนั้นไปถึงปั๊บจากนั้นจะรับสั่งเป็นรูปสรุปนะเป็นสรุปข้อความคือลอกมาให้ใาจารย์ดเดลฟังด้วยวัลักษณ์ลักษณะนี้ที่จริงมันมันมั น, ม, นมันเป็นอาการอาการที่ต่อเนื่องอาการต่อเนื่องคล้ายๆกับเรากินข้าวอิ่มแล้วเนี่ยเราทําอะไรได้อีกเยอะเลยมันต่อเนื่องไปจากกินข้าวอิ่มแล้ว พอหิวรุนแรงอาการต่างๆากระสรับกระส่ายดิ้นรนหมุดหงิดรําคาญใตาอะไรตามาอีกเยอะเลยนั้นเราเห็นที่จริงอาการต่อเนื่องอาการต่อเนื่องมาจากกินอิ่มอาจารย์ต่อเนื่องมาจากขิวข้าวอย่างรุนแรงเนี่ยามาปฏิบัติก็เหมือนกันมันผลบวกลบเนี่ยมันเป็นอาการต่อเนื่องมาเยอะก็ทรงแสดงถึงลักษณะที่ว่าผู้ใดมีใจฟุ้งสั้น หมายความว่าจิตใจที่สัดสายไปด้วในอารมณ์ทั้งหลายที่บางครั้งต้องสแสดงว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟนะฮะกลางคืนก็คิดโน้นคิดนี้คิดนั้นคิดฟุ้งไปเลยกลางวันก็ไขว่คว้าปรารถนาวุ่นไปทั้งวันกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟ คิดมากพุ่งสั้นทัดสายไปในเรื่องต่างๆจิตใจไม่ค่อยมีความสงบก็ถือว่าเป็นความพุ่งสั้นบางทีก็กอพุ่งสั้นเนี่ยนะจะเห็นว่าคนที่พูดมากก็คือพุ่งสั้น น, นะไอ้พว่เขาคิดมากคิดมากเขาพูดมากพูดมากแต่หาประโยชน์ไม่ได้พูดมากแต่หาประโยชน์ไม่ได้ก็ไม่แปลกนะเราจะเห็นว่าพระสูตรบางพระสูตรในยาวเหยียด เยาวเหยียดยาวมหาสติปฐานในสูตรมหาสมัยสูตร ย, ยาวจังเลยนะพรหมชาลีสูตรเนี่ยจเยาวจังเลยแต่ว่ามันมีประโยชน์มีทุกบรรทัดมีทุกคําเลยมันมีประโยชน์นะยิ่ต่ยาวจังก็เรียกบางทีเราอ่านเนี่ยเอามาอ่านอย่างเงี้ยนะเพราะสูตรบางสูตรเราอ่านรวดเดียวไม่จบเพราะมันต้องคิดเยอะเวลาอ่านเรานั่งคิดด้วยเด้ เราต้องดูอถาธิบาย ต, าต่างๆนี่มาแต่พระเจ้าเทศรวดเดียวนะเทศรวดเดียวยก็สมัยพุทธกาลไม่เบานะท่านเทศรุ่งนะต้องฟังเทศรุ่งวัดวรวรมาค้าวิสาขานี่ก็เทศรุ่งเหมือนกันแต่ก็หลับติดเสาเยอะๆทำเนียบที่ทำเนียบสมัยพระเจ้าเทศรุ่ง แต่ถ้าเราไปอยู่ตามป่าเนี่ยเอาได้จริงๆนะฮะเอาได้จริงๆเทศตำป่ามันรุ่งไม่รู้ตัวนะเอามาจะเข้าใจอ า, อากาศแต่มันช่วยมันไม่ปวดไม่เมือ่อยมันนั่งฟังเพลง อ, อย่างนี้นเลยอา้าวรุ่งใช่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยเพลียนะไปพักอีกหน่อยเดียวก็พอทําอะไรได้แล้ ว, วแต่ที่กรุงเทพไม่ไหวบรรยากาศมันเป็นยังไงไม่รู้ไปสูตรไอพิษก็เยอะวันวนเนี่ย ไม้เคยมีแรงทีนี้มีความดําริไม่มั่นคงคือหมายความว่าความคิดเนี่ยมันไม่หนักแน่นอย่างนี้ก็ใช่อย่างนี้ก็ใช่อย่างนู้นก็ใช่อะไรอะไรเนี่ยจิตมันไม่ตั้งมัน่นอ่ะจิตมไม่ตั้งมัน่นจะี่เรื่องใดเนึ่นเป็นคนโลเลหลอกเลาะแหล ะ, หละอะไม่มีกฎมีเกณฑ์อ่ะก็แล้วแต่ว่าใครจะลากจะพาไปไปตามกระแสะคือพวกไหลาตามกระแสะ กระแสของอารมณ์ตัวเองกระแสของสังคมกระแสของการชี้นำอะไรต่างๆด้แสดงว่าจิตใจไม่มั่นคงแล้วปรากฏว่ายินดีในอศัศธรรมอศัศธรรมนั้นหมายอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งหมายถึงว่ามัวมองหมกมุ่นในทางกามของคุณอศัศธรรมบางทีหมายถึงเรื่องการมขกคุณหมายถึงเรื่องแค่แต่นะฮะหมายความมัวมองหมกมุ่นในเรื่องตรงนี้ หรือไม่อย่างนั้นก็เอาเต็มที่เลยมาความมายินดีในพวกอกุศลธรรมทั้งหลายอากุศลนั่นนะฮะพวกเช่นว่าไม่มีศรัทธาไม่มีหีริไม่มีโอตปะนี่ยก็ยินดีในสิ่งที่เป็นอกุศลนรนั่นเองความคําพูดของนางจุลสุขพัฒทาพูดดีนะฮะท่านพูดดีไม่มีฮีริในภายในไม่มีโอตปะในภายนอกคมมาก ไม่คยได้ยินเขาพูดเนี่ว่าไม่มีหิริในภายในไม่มีโอตรปะปาในภายนอกหิรินั้นคือความละอายต่อบาปโอตรปะปาคือกลัวต่อบาปแล้วก็ผลของบาปท่านใช้คำว่าไม่มีหิริในภายในไม่มีโอตรปะปาในภายนอกเป็นการกล่าวถึงพวก จีเปลรยทั้งหลายที่พ่อสามีของนางนี้หมดมาในพิธีจะรองงานแต่งงานของนางใล้ๆกับนางวิสาขาประวัติคกล้ๆกับนางวิสาขาเป็ใช้คําดีหมายความว่าธรรมะนั้นมันต้องออกมาได้สองทางคือมันเกิดขึ้นจากภายในเจนีริมันก็ต้องเกิดขึ้นในภายในใจเราแล้วก็แสดงให้เห็นประพฤติกรรมการกระทำทั้งหลายการนุ่งการถ่มการยืนการเดินการพูดอะไรต่อไปเนี่ย แ, แสดงว่าเรามีโอตระปาคือกลัวบาทแปลว่าถ้าเห็นอาการข้างนอกไม่ดีก็จะท้อนกลับไปสู่ข้างในว่าข้างในไม่มีสจึงไม่มีโอตระปาในตัวข้างนอกผู้นั้นห่างไกลจากความเป็นผู้มั่นคงหมายความคนอย่างเงี้ยคนมีใจฟุ้งซ่านพูดมากหาประโยชน์ไม่ได้มีความดั่งไม่มั่นคงดนแ น, น, นสัตธรรมจะห่างไกลจากความเป็นผู้มั่นคง มีความเห็นท่านใช้คําแรงนะีปาปิดโฉท่านใช้คามีความเห็นลา ม, มกคือไม่ได้จะแปลยังไงเดียท่านแปลไปอย่างงั้นตลอดปาปิดโฉปราถนาลา ม, มกอันนี้ก็เรียกว่ามีความเห็นความเห็นไม่สะอาดอะไม่เดียเป็นความคิดไม่ดีแล้วไม่อาทรคือไม่เอื้อเฟื้อไม่ห่วงใย ต่อหมู่คณนะต่อส่วนรวมต่อความถูกต้องต่อสิ่งดีงามทั้งหลายถือว่าขาดขาดตรงนี้ขาดความอาทนขาดความอึเพื่อผู้นีออ้ไม่มีโอกาสที่จะที่จะมีความมั่นคงมายความไงไม่หมายความว่าไม่เป็นผู้ใหญ่พูดง่ายใในประเด็นนี้ประเด็นจริงๆเนี่ยตรงเน้นไปที่ความเป็นผู้ใหญ่ สี่จำนวนบาลีเชนใช้กามเทระแต่ใครก็ตามที่มีลักษณะอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่มั่นคงส่วนผู้ใดถึงพร้อมด้วยศีลก็ตามต้อควรแก่สถานะนะพูดไปเน้นไปหลักเอาหลักเลยหลักตอนนั้นอย่าลืมพระสงฆ์ยังไม่มีนะที่พระเจ้าเทศตรงนี้พระสงฆ์ยังไม่มีเป็นการคุยเป็นการคุยกัน ไม่จะถึงประเทศเหรอกคุยกันก่อนจะประกาศธรรมะคุยกับพราหแล้วก็นํามาเล่าให้พระฟังทีหลังนำมาเล่าให้พระฟัง ท, หงหงทีหลังว่ า, าจะคุยกันยังไงแต่นั่นเองนะก็เยก็ตามที่เป็นผู้มีศีลใช้คำวมาศีระว่าคือเป็นผู้มีศีลศีลที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเจตนาวิรัตงดเวนไม่ล่วงละเมิด ตอสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองในการรับฟังข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่นมันมอะไรล่ะถ้าศีลทั่วๆไปอย่างศีนศีลห้าเนี่ยก็ศีลห้าเนี่ยก็เรียกว่าสะกิดตะกัดคือมันมันมันต้องมีความจงใจด้วยต้องมีเจตนาด้วยมีความจงใจด้วยจึงเป็นการผิดศีลเมื่อวาในพระไมค์เขาบวชแล้วเขาก็ ทรงพระารรมจะบอกอนุสาส ต, รตพระองค์นี้ชอบซักก็เป็นผู้แทนผู้แทนมาก่อนมันชอบสักาถามถามว่าถ้างั้นพระก็สัญญาข้าพญาอะไรตะไปไม่ได้โมอย่าคิดมากขนาดนั้นคิดมากขนาดนั้นไม่ได้หรอกมันต้องมีเจตนาหมายความว่าเราจะไปรู้ได้ยังไงเราเราเดินกลางคืนเราก็เหยียบมดตายแน่นอนแหละ ม, มันอย่างน้อยก็ตัวสองตัวเราต้องเหยียบแหละเราจะรู้ได้ไง แต่เขาไม่เอาหรอกขนาดนั้นนะ่ะถ้าไปคิดขนาดนั้นเลยไม่ต้องทำอะไรกันมันต้องอยู่ที่เจตนาคือความจงใจมองเห็นคุณของศีลมองเห็นโทษทางการไม่มีศีลนะสํารวจระวังก็กลายเป็นผู้มีศีลก็คืออาการปกติทางกายทางวาจาที่เราเห็นเนี่ยนะนะแต่หมายความว่็ใจต้องปกติถาใจไม่ปกติกายวาจาก็ปกติไปไม่ได้ และประกอบด้วยสุตตะคือการศึกษาเรียนรู้การสดับสบฟังตรงนี้แปลกเลยนะครัใช้คำว่าปฏิพานมีไหวพริบปฏิพานในการที่จะตัดสินกับปัญห า, าต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละขณะไม่ว่าลักษณะทางอารมณ์หรือว่าการกระทบมาจากข้างนอกหรือแม้แต่การที่จะวิเคราะห์จิตของตัวเอง มันมีวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นได้หรืออย่างน้อยก็สงบปัญหาเหล่านั้นได้รเราเช่นสมมติว่าบางเรื่องเนี่ยเขาก้าวรา้าวคุกคามก็ด่าว่าเราเราก็ไม่จะทํำยังไงไปแก้เขาแก้ไหมเราก็แก้ที่เราในกรณีที่แก้เขาได้ทําความเข้าจใจแก่เขาได้เราก็ทำ <iao> แต่อย่าคิดว่าทําได้ทุกกรณีทําไม่ได้ก็คือทําไม่ได้นะครัพระพุทธเจ้ายังแก้ปัญหาพระเทวทัศน์ไม่ได้จะเอาอะไร เทวทัตแต่ละรวาสอยกี่ปีลองนึกดูกันแล้วกันนะะปัญหาบางอย่างเราแก้ไม่ได้แต่ว่าพระพจเจ้าจะแก้ที่พระองค์ได้เทวทัตตั้งกวดต้องรับผิดชอบใ น, ในส่วนความบกพร่องกับท่านเองประการต่อไปก็คือประกอบพร้อมในธรรมอันทําความมั่นคงหมายความว่ามีคุณธรรมสี่ประการที่กล่าวแล้ว หรือเป็นผู้มีศีลมีการศึกษาสะดับตับฟังมากแล้วก็มีสมาธิในด้านจิตใจแล้วก็มีปัญญามีความสงบมีปัญญาเป็นหลักใจเป็นเรือนใจเห็นแจ้งซึ่งเนื้อความของธรรมด้วยปัญญาอันนี้นี่นไปแล้วขึ้นหายไปเป็นพระอหรหันต์ไปแล้วหมายความว่าเห็นแจ้งในธรรมทั้งหลายด้วยปัญญาเนี่ยเขาเรียกวตรงนี้เรียกว่าสมมปัญญา หมายความเป็นปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงคือมองสัตว์กองสังขารทั้งหลายพูดง่ายว่าสังขารทั้งหลายด้ขันห้าอะไรก็ได้นะฮะไม่ว่าทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันหยาบละเอียดเลวระนิดอยู่ไกลอยู่ใกล้ต่างมันก็สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเวทนาสักแตว่าสัญญาสักแต่ว่าสังขารสักแต่ว่าวิญญาณไม่ใช่ไม่เป็นทั้งของเราไม่เป็นทั้งเราแล้วก็เราก็ไม่ได้เป็นไม่เป็นทั้งตัวทั้งตนของเรา ตรงนี้ามาอย่างยังไม่ไหคุยกับญาติโยมบางคนยังชื่นชมกันนะเออโยมจริงไงอายุห้าสิบกว่าวีานเตรียมที่จะสงบอายุมากแล้วอายุมากแล้วเตรียมที่จะสงบเตรียมที่จะทำใจสบายตัดภารกังวลในเรื่องการงานทั้งหลายมามองถึงพระเรานะฮะพระเราอายุหกสิบยังไม่ได้มีตาแหน่งงานอะไรเราต้อง โน่นเกือบจะตายนั่นต้องมีงานต่ลงว่าวิลาแก่แทนที่จะได้สงบจะได้พักผ่อนจะได้ทำใจตัวเองไงนะฮะจะได้ฝึกในเรื่องจิตใจถึงโอกาสมันกนดีมันน่าจะดีนะแต่กลับมันมีโอกาสกลับมันมีโอกาสยิ่งเป็นหลวงปู่ยิ่งใบใหญ่เลยหามกันไปเลยนะลากกันไปหลวงปู่ในยิ่งขลังใหญ่เลย ก็ต้องลงว่าลำบากกันนะฮะลำบากเป็นเป็นชีวิตที่ยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยชาบ้านยิ่งแก่ยิ่งสบายยิ่งแก่ยิ่งปรงได้นะฮะปรงได้ ก, ก็ก็มีเรื่องให้ปรงได้เยอะเพราะงั้นการการรู้เห็น ต, ตรงเนี้มันก็อยู่ที่อะไรอยู่ที่ลดตัณหาลดมานะความตือตัวลด เกิดชิดชีคือความเห็นผิดลงไปได้แต่ว่าในที่นี้ท่านหมายถึงสมบูรณ์นะฮะพูดพูดถึงประอาหารหมดแล้วตัเนี้ถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งหลายหมายความว่าทําได้สมบูรณ์อ่ะคล้ายกับเราว่ายน้ําข้ามฟากนะจากภางนี้ไปสู่ภาคนั้ถึงฝั่งก็คือขึ้นฝั่งถึงฝั่งแห่งธรรมก็คือหมายความว่าล้างกิเลสได้อย่างน้อยที่สุดในสามอย่าง นเพราะฉะนั้นคนนข้าถึงฝังจิงโสดะบันเรียกโสดะบันคือถึงถึงฝังถึงกระแสถึงกระแสวิญญานเป็นการละกิเลสได้เด็ดขาดละความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาออกไปได้ละความเห็นความความเครือบแคลงสงสัยในพัฒน์นักไตรดาละการถือมั่นโดยศีลโดยวัาโดยข้อปฏิบัติที่ ไม่ยุติดดยเหตุผลต่างได้แต่ประเด็นตรงนีเออ้เราจะต้องมองอีกทีหนึ่งนะฮะคือหมายความว่าเราต้องมองคนที่ยังเป็นอย่างนั้นด้วยความการุณานะฮะไม่ใช่พอเราทำได้แล้วเรามองคนอื่น ด, ด้วยความด้วยความดูหมิน่นหรือด้วยความอะไรสะใจอะไรต่อะไรก็ตามลักษณะอย่างนี้ลักษณะคล้ายๆกับว่าพอเราตกอยู่ในสมมติว่าเราเร า, เร า, เ, ราเรานั่งเรือไปแลเรือจม เรือจมเราไหว้ขึ้นฝั่งได้ปัญหาเมื่อเรามองกลับไปที่ที่ในแม่น้ำน่ะมีคนกำลังไหว้วกำลังจะจมไม่จมแหละเรามีความรู้สึกยังไงถ้ารู้สึกนึกอยากให้เขาตายนะเราก็แสดงว่าเราก็ไม่มีคุณธรรมภายในใจแต่ถ้าเกิดการุณาเกิดการุณาสมมติเราหมดแรงจริงๆเราเราเร า, เราช่วยไมย่เราต้องตะโกนขอคนอื่นช่วย หาทางไม่ได้เราก็บอกกล่าวชี้แนะเขาให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ในฐานะที่เราที่เรามองเห็นอะไรอยู่เราต้องเอื้อนะต้องเอื้อคนที่เขาทำไม่ได้อย่างเราไม่ใช่ว่าไปซ้ำเติมเขาตรงนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นเรื่องที่น่ากลัวกระแสสังคมท่านทั้งหลายลองสังเกตว่ากระแสสังคมเป็นกระแสที่น่ากลัวเมื่อก่อนเราพูดถึงว่าไม้ล้มข้ามได้คนล้มอยากค้า เวลานี้ถ้พาพอใครล้มแล้วพอไม่ใจไม่ข้ามเฉยๆนะก็ทืบเลยอ่ารุมก็ทืบกันเลยมันเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันเวรกรรมอะไรไม่รู้เมื่อวานยังคุยกันพวก อ, อาจารย์ในสอนธรรมะด้วยกันก็ประลบถึงพระพุทธธรรัะข้อหนึ่งปัญหามาลุมมาตุ้มบุญวายอย่างเงี้ยพระเจา้าเป็นโทษของวัฏต์หมายความยังไงหมายความถ้าเราไม่เกิดมาเราไม่เจอปัญหาเหล่านี้ อันนี้พอเราเกิดขึ้นมามันก็กลายเป็นเป็นโทษของวัฏฏะคือโทษที่เราต้องเรายังเกิดมาเนะ่เมื่อเกิดมาแล้วเราก็หลีกเรียกตรงนี้ไม่ได้เป็นกระแสะที่น่าขวงใหญ่เพราะว่าจิตใจของคนนั้นไม่ได้แสดงเรื่องความมีธรรมะแต่แสดงเรื่องความมีวิหิงสาคือความเบียดเบียนมันหารุขูดมาก หาฤโหดมากเราลองนึกดูเดียวคับมันมันแค่แค่กสุนัขมันฟาดกัน่ะผมฟาดเพื่อนล้มแล้วเพื่อนถูกรุมนะไอตัวไอตัวที่เพื่อนถูกฟาดอ่ะฟาดล้มลงไปแล้วเพื่อนไปรุมอีกโอ้โหมันหาฤโหดจังหาฤโหดจังนั่นคือเรามองเห็นว่าความขาดแคลนธรรมะตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีธรรมะจริง ถ้ามีธรรมะจริงนะเขาต้องเกิดกรุณาต่อคนที่ทําไม่ได้อย่างที่เราทําเป็นไม่ได้อย่างที่เราเป็นนะว่ายน้ํายังถึงฝั่งไม่ได้เราก็ต้องไปช่วยคล้ายๆพระพุทธเจ้าพระหานทั้งหลายทั้นขึ้นฝั่งแล้วท่านก็ไปช่วยคนไปช่วยคนถ้าไม่ไปซ้ำเติมคนท่านไม่ปมไมปด่าว่าคนเจ้าเป็นท่านท่านก็ไปช่วยถ้าไม่กล่าวร้ายท่านไม่ทําลายใครนั่นคือแบบมาตรฐานแบบมาตรฐาน วันวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ปาตากถาเรื่องชาวพุทธระดับมาตรฐานนี่ก็ไม่จำเปันพุทธเจ้าวางไว้นะที่จริงพุทธเจ้าวางเกณฑ์มาตรฐานความเปชาวพุทธเอาไว้แต่พูดไปสองสองเรื่องไม่ทธเจ่าเกาเรื่องอะไรออกแล้วก็ดูที่ไหนไม่มีกิเลสดุตะปูจึงจิตตาปูจึงจิตท่านท่านท่านทั้งหลายเคยได้ยินแล้วนะเจโตขีรัสสูี่เราเคยพูดตรงนั้นท่านพูดเรื่องความไม่เชื่อ หมายความถ้าเราเชื่อเราก็ถอนตะปูตึงจิตได้แต่ตะปูในที่นี้หออมายถึงอย่างนี้หมายถึงราคะหมายถึงโทสะหมายถึงโมหะหมายถึงวิสยาหมายถึงสนีหมายถึงแข็งดีภาพพืง่เงากิเลสทั้งหลายนั้นเป็นตะปูตึงจิตเอาไว้ให้เราสังเกต ด, ดูว่าเราสงสัยเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยมีมีคนมาที่กุฏิูุ ส, สิกุาลสิกวันหลังฝัน คกคนคนี้ก็หยุดทําบุญตักบาทอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เพลินเลยเกลียดพระหมดเลยเนี่ยสงสัยหมดเป็นพระแล้วไม่อยากทําบุญสงสัยว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอมก็ดีอะก็ดีก็แล้วแต่คิดเอาคือเนี่ยมันหาเรื่องในตัวเองเดือดร้อนอะนะ่ะหาเรื่องในตัวเองเดือดร้อนมันไม่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคิดว่าใครจริงใครปลอมเรามีหน้าที่ทําบุญน่ะการทําบุญเป็นเรื่องของผู้ปรารถนาบุญเราก็ทําไป เราก็ได้ทําแล้วบุญเราก็ได้ทําแล้วคุณสุนทรเจตนาครบเรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนอื่นเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องที่เรารับผิดชอบตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าพอตะปูเกิดสงสัยขึ้นมามันก็ตึงจิตเอาไว้แล้วจิตไปไม่ได้แล้วจิตจะตักบาตจิตจะไหวพระจิตจะเข้าวัดหมดแล้วมันมันไม่ยอมไปแล้วมันมันตอกมาตอกหมุดไว้ก็เรยตะปูตรึงจิตเป็นภาพนะเราจะอะไรก็ตามเดี๋ยวตะปูต่ตอกไว้มันก็ไปไม่ได้ วันใจเราที่ถูกสมมุติว่าคนเนี่ยเราเคยเคารพนับถือศรัทธาอะไรต่างท่านเราเกิดโกรธขึ้นมาโกรธก็เป็นตะปูตรึงจิตไม่อยากไหวแล้วไม่อยากคุยด้วยเลยอยากไปหาแล้วเลิกนับถือกันแล้วเห็นว่ามันตอกหมุดไว้เารใช้คำว่าตะปูตรึงจิตมีปรีชาละชาติและบรรดานีพระอาหารหันต์นะฮะหมายความว่ามีปัญญาดีปรีชาตัวนี้คือญาณที่จะทําให้ท่านละสังสารทุกข์ได้ หลุดพ้นจากความหมุนเวียนในสังสารวัฏได้จบพรหมจรรย์เต็มที่เลยนะจบพรหมจรรย์หมายความว่าจบการละบาปบำเพ็ญบุญเพราะอะไรเพราะใจท่านฟ่งองแพรวแล้วสูตรในการปฏิบัติมามีแค่นั้นเวละบาปบำเพ็ญบุญัำใจฟ่องแพรวเพราะงั้นเมื่อท่านมีปริชาละชาติละชาติและ มรณะนะละการเกิดละการตายได้ท่านก็มีเฉพาะพระหารนั้นเองนะฮะคนละการเกิดการตายได้แต่หมายความไม่เกิดในวกชาติต่อไปการตายก็คือพวกชาติต่อไปนะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าชาตินี้ชาตินี้ท่านก็ต้องแก่นั่นแหละท่านก็ต้องแก่ท่านก็ต้องตายแต่เรียกวินิพานธ์แต่นั้นเองเพราะมภนชาติต่อไปท่านไม่เกิดเมื่อท่านไม่เกิดท่านก็ไม่มีอะไรให้แก่ไม่มีอะไรให้เจ็บไม่มีอะไรให้ตาย ก็เรียกว่าละชาตและมรณะได้จบพรหมจรรย์คือหมายความว่าจบการประเพิ่ปฏิบัติที่พัฒนาจิตใจตัวเองตัวเนี้ยเป็นผู้มั่นคงจริงๆเป็นธทระจริงๆ <c oughs> แล้วก็แสดงคุณสมบัติคุณสมบัติอะไรคือไม่มีอาสวะไม่มีกิเลสเพราะอะไรเพราะอาสวะสิ้นไปก็ชื่อว่าเป็นปธิระ ท, รที่แท้ที่แท้จริงเป็นธรรมปฏิบัติที่ แส ด, แดงตั้งแต่ต้นๆมานะฮะเราจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นๆมาคือข้อที่ควรงดเว้นเจ่นอะไรเช่นมีมีใจฟุ้งซ่านพูดมากหาประโยชน์ไม่ได้มีความดริไม่มั่นคงยินดีในศรัทธาห่างไกลจากความมั่นคงมีความเห็นเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นไม่สะอาดนะฮะและ้วก็ไม่มีความเอื้อเฟือเอ้อต่อสิ่งดีงามทั้งหลายต่อธรรมะต่อบุคคลอันนี้ก็คือสิ่งที่สงสอารงดเว้น ก็เริ่มจากการประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยทางศีลทางการศึกษาทางการไวพิบปฏิภาณก็ไตายปริเอนะเป็นธรรมะแนวขั้นบันไดหมายความว่าใครจะก้าวจะเดินไปถึงระดับใดก็ตามก็จะรับผลในระดับนั้นๆซึ่งก็หมายความว่าคุณสมบัติของความเป็นผู้มั่นคงที่ทรงแสดงไว้เป็นหลักธรรมที่เราสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติได้ในระดับหนึ่ง ซึงเมื่อทำได้ความหนักแน่นความมั่นคงความไม่หวั่นไหวก็จะเกิดขึ้นภายในใจเราได้ตามสมควรในที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านสาธารหนายโดยทัว ก, กันทุกท่านเธอด